พรุ่งนี้ค่อยทิ for for ้งรอยออกสกัดดักพบเกวียนของเราก่อนดีกว่ามันเป็นเวลาสองคืนแล้วที่เราแยกจากกองเกวียนมาควรจะไปบรรจบกันเซียทีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทิศทางของไอ้แหวงมันไม่ชอบมาพากลแบบนี้หรือคุณจะเห็นอย่างไรก็ดีเหมือนกันครับทั้งหมดตัดเข้าดรงใหญ่อีกครั้งโดยยึดเส้นทางห้วยแห้งอันขนาดไปกับทางด่านเส้นใหญ่ ครู่เดียวก็ตายขึ้นโคกเลาะไปตามเส้นทางระหว่างด่านช้างและขอบพ้วยผ่านแหล่งน้ำซับ ท, ที่ไม่มีร่องรอยของสัตว์ใหญ่ชนิดใดลงกินในระยะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากรอยเก่าๆแล้วก็ผ่านโ่งที่ดินเริ่มจืดแล้วสำรวจอย่างระมัดระวังไปทุกระยะขณะนั้นเองเลผินผู้ก้มก้มเงยเงยเดินนำงุดไปเบื้องหน้าราวกับเงาผีก็หยุดชะงักเล็กน้อย สอดสาย ส, า ย, สายตาไปยังพงทุกเบื้องหน้าที่มีด่านสัตว์เล็กพาดตัดกันไปมาเมื่อทุกคนมองตามก็เห็นนกอะไรชนิดหนึ่งสีสันวิจิตรการตาราวกับใครจมะมาแกล้งระบายไว้หลายสีกระโดดโยงโยงอยู่กับพื้นดาเรียนเห็นข้าวก็อุทานออกมาเบาๆด้วยความลืมตัวเพราะความสวยงามของมันแต่เชษฐาเป็นคนข้างสังเกตเห็นพรานใหญ่จับตาดูที่นกตัวนั้น อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษและให้ความสนใจผิดปกติไปก็มองดูหน้าเหมือนจะถามอันเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินสุดตัวลงนั่งคุกเขาก่ากวาดสายตาไปรอบๆพลอยพาให้ทุกคนนั่งตามกันลงหมดราวกับนัดกันไว้ดารินและชัยยานใจเต้นแรงเพราะไม่ทราบความหมายจ่องหน้าพรานใหญ่ทว่าก็เห็นสีหน้าเฉยๆไม่บอกเขาว่าจะมีเรื่องร้ายอะไร นอกจากยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากเป็นความหมายให้ทุกคนสงบเงียบนกตัวนั้นเต้นอยู่กับพื้นอยู่สองสามช่วงก็กระโดดไปตามพุ่มไม้เตี้ยๆบ่ายหน้าไปทางด่านแย่ขวามืออันเป็นทางลาดลงต่ำและผินจึงหันมาทางเชิฐาผู้อยู่ใกล้เขาที่สุดทำมือเป็นกิ่งเขาแทนความหมายภาษาใบาให้ทราบว่าเบื้องหน้าในระยะใกล้มีกวางตัวหนึ่งป้วนเปี้ยนอยู่ คณะนายจ้างมองภาษาใบ้นั้นก็เข้าใจโดยตลอดเพียงแต่ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดพรานใหญ่ถึงรู้ว่ามีกวางอยู่ใกล้ๆและเกี่ยวข้องอะไรกับนกสีสวยประหลาดตาตัวนั้นเขาตีภาษาใบถามมาอีกว่าจะเอากวางตัวนั้นหรือไม่เชษฐาสั่นศีษะรพินจึงลุกขึ้นยืนและทันใดนั้นเองดาลินก็เหยียบกิ่งไม้แห้งเกิดเสียงดังขึ้น พร้อมๆกับลมที่แปะทิศทุกคนจึงได้ยินเสียงบีบร้องอย่างตกใจและเสียงฝีเท้าวิ่งโครงคลามไปทางป่าเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วทำไมถึงรู้ว่ากวางอยู่ข้างหน้าเราทั้งๆ ท, ท, ที่มองไม่เห็นตัวหรือร่องรอยอะไรสักนิดดาลินหันไปจ้องหน้าถามเขาอย่างเก็บความพิสงเอาไว้ไม่ได้นกตัวที่เราเห็นสีสวยๆนั่นแหละครับเป็นสัญญาณบอกให้รู้ได้เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันด้วยระหว่างนกกับกวาง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 ผมเห็นว่าเราขาดเนื้อสดกันมาหลายมื้อแล้วก็เลยนึกว่าเผื่อพวกเราจะอยากเปลี่ยนอาหารกระป๋องข่ามนี้บ้างอ้าวแล้วทำไมไม่ยิงชัยยาชัยยันลืมตาโตร้องถามมาโดยเร็วด้วยความกระหายเพราะไม่รู้มาก่อนว่าเชษฐาสกิดห้ามรระพินไว้สหายของเขาก็หันมาบอกแทนให้ว่าฉันเป็นคนห้ามระพินไว้เองแหละเนื้อสดน่าอยากหน้าอยู่ดรอกแต่รู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะนัก ถ้าเสียงปืนมันลั่นขึ้นโดยไม่จำเป็นในภาวะเช่นนี้เราไม่รู้ว่าไอ้แหว่งมันอยู่ใกล้หรือไกลเราแค่ไหนเดี๋ยวพลาดโอกาสอีกอดีตนายทหารปืนใหญ่บนพรมอย่างสุดเสียดายภายหลังจากที่กวางตัวนั้นตเติดไปแล้วดงทั้งดงก็สงบเงียบไม่มีวิแววร่องรอยอะไรแม้แต่นกเล็กๆสักสตัวลมสงบอากาศระอุ ประมาณสี่โมงเย็นก็พ้นดงลงสู่ระเมาะสลับไปกับทุง่งหญ้าและบัดในวงร้อมของเขาเตี้ยหลายลูกเกิดพบรอยของสัตว์ประหลาดตีนกีบขนาดใหญ่โดดเดียวรอยหนึ่งตรวจดูจากผิวของดินที่มันเหยียบพลิกไว้น่าจะสันนิษฐานได้ว่าผ่านรุ่งหน้าไปเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ระหว่างที่ทุกคนกําลังไขวครวนอยู่ว่ามันจะเป็นรอยตีนของเจ้ามหิงสาตัวนั้นหรือไม่พรานใหญ่ก็ก้มลงใช้ปลอกมีดซึ่งทําด้านหนัง วัดความกว้างของมันแล้วสั่นสีศะกระทิงโทนธรรมดาครับรอยของมันถึงจะใกล้เคียงกับควายตัว น, นั้นก็จริงแต่แคบกว่าเล็กน้อยรอยเลือดก็ไม่เห็นมีชัยยันว่าเรื่องเลือดไม่สำคัญหรอกครับหากแผลไม่จะการเกินไปนักหลังจากถูกยิงไปแล้วมันลงไปนอนแช่โครนหรือเกลือกปรับเลือดก็หยุดได้เหมือนกันและระยะเวลามันก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้ว รอยของโรงไอแหว่งที่ผ่านทุ่งระบาดนี้แสดงให้เห็นว่ามันรุดหน้าผ่านไปโดยไม่หยุดยั้งหากินเลยถึงจะไม่มีหลักฐานอื่นๆทิ้งไว้ให้เห็นเด่นชัดก็ยังพอจะแยกรอยตีนโขงของมันออกไปจากโขงอื่นๆอีกหลายโขงที่ย่ําไว้สับสนเป็นหมดสิ่งที่ช่วยให้สังเกตได้นี้ก็คือรอยตีนหลังด้านขวาของลูกโขงตัวหนึ่งของมันซึ่งเดินลากๆไปกับพื้นอันเป็นเพราะความพิการซึ่งพรานใหญ่สันนิษฐานว่า คงเนื่องมาจากถูกฝรั่งนักสารวจยิงไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนขณะที่พวกมันยกโรงเข้าทำลายแคมป์ของพวกฝรัง่งนักสารวจชุดนั้นเจ้าตัวที่ขาหลังเจ็บตัวนี้เดินร้าหลังอยู่ท้ายโรงเสมอสังเกตจากรอยเท้ารู้สึกว่าเป็นช้างรุ่นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาแสงตะวันอ่อนลงเป็นลำดับการติดตามแกะรอยและอ่านกันไปทุกระยะนาเข้ามาสู่ป่าภผยในระหว่างเชิงเขาเตี้ยสองลูก ลมเริ่มพัดทวนกลับไปกลับมาอย่างไรพิกลระพินหยุดด้อมๆอ ม, มองๆไปตามทางด่านที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มรางเรือนอยู่ภายใต้หลังคาอุโมงค์ใบไผ่หนาทึบแล้วออกเดินย่องผ่อนฝีเท้าลงอาการชนิดนั้นของจอมพรานทำให้คณะนายจ้างทั้งสามตื่นตัวระวังพร้อมโดยไม่จำเป็นต้องเตือนตาปลดไรเฟิลที่สะพายไหล่มาถือกระชับไวพุ่งสายตาค้นหาไปรอบด้านในที่สุดก็เห็นจอมพรานกับเกิด ซุดตัวลงนั่งยองๆอยู่ข้างจอมปลวกใหญ่เงี่ยหูเหมือนจะคอยจับเสียงอะไรอยู่อย่างตั้งใจโดยแยกออกมาจากเสียงลมพัดกิ่ง่ายเสียสีกันอยู่ในขณะนี้อย่างเบาแสนเบามีเสียงค้ายลมหายใจหนักๆแว่วมาครั้งหนึ่งอึดใจต่อมาก็มีเสียงสะบัดหัวดาดินเดี้ยงก็หาต่อไม้ใหญ่ก่อนอย่างเริ่มจะชำนาญต่อเหตุการณ์ส่วนเชีาและชายยันรากปืนคานเข้าไปสมทบกับพระพิน แง่าสายนั้นแฝงคนก่อผายเตรียมพร้อมระวังอยู่ทางเบื้องหลังของแพทยหญิงคนสวยอันเป็นเจ้านายทุกคนไม่มีใครเอ่ยปากเช่นไรนอกจากพูดกันด้วยสายตาและอาการเท่านั้นสีหน้าของรพีนบอกความรังเลเหมือนจะยังไม่แน่ใจอะไรสักอย่างส่วนเกิดค่อยๆใช้ฝ่ามือกอบฝุ่นข้างตัวขึ้นมาโปรยทดสอบทางลมอยู่สองสาครั้งแล้วทำหน้ายุยยี่หนักใจ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 ระผินเงียหูสะดับฟังเสียงที่วิ่งไปนั้นจนกระทั่งเงียบสนิทจึงลุกขึ้นกระทิงโทนตัวนั้นกระมังเชษฐาเอ่ยถามขึ้นเป็นคำแรกภายหลังจากสะกดกั้นลมหายใจอยู่เป็นเวลานานกระพินโคลงหัวช้าๆอย่างไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันครับความจริงรอยกระทิงไม่ได้ผ่านมาทางนี้มันไปทางเขาด้านขวามือและเราก็ไม่ได้ตามรอยมันมา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 กรินสาบและไอตัวของมันที่ทิ้งไว้กับปลานที่นอนอยังฉุนกึกมีรอยโครนหมาดๆ ต, ติดอยู่ที่โคลนต้นคอยและพื้นที่มันนอนเกลื่อนไปหมดและแล้วชายยันก็ร้องออกมาอย่างลืมตัวเมื่อสังเกตเห็นเศษโครนที่ติดอยู่กับพื้นตอนหนึ่งมีรอยเลือดกลางสีครามติดอยู่ด้วยพวกมแมลงวีตอมหึงมันนั่นเองไอ้ควายมหาการตัวนั้นเชื่อถาหันไปจ้องตารพินอีกครั้ง เหมือนจะขอความยืนยันพานใหญ่กัดริมฝีปากเบาๆก้มลงก้มศรีรษะตรงแทนคำตอบรับอดีตทู่ทหารบกพูดโดยเร็วนี่พิสูจน์ได้ชัดแล้วว่ามันยังคงป้วนเปี้ยนตามหลังไอ้แหว่งอยู่เป็นเงาตามตัวทีเดียวโขงไอแ้แหวงก็คงอยู่ไม่ห่างจากเรานะักลมเจ้ากรรมลมลิยำมเสียงเกิดสะบดยังหัวฟาดหัวเวียงไม่งั้นก็อยู่แล้วมันมานอนอยู่ห่างเราแค่นี้เอง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 ในบริเวณป่าไผ่ที่แรงฝนมาหลายวันรับรอยเท้าของเจ้าควายยักษ์ตัวนั้นวิให้สังเกตได้อย่างถนัดถนีลักษณะของมันในครั้งแรกที่ลุกจากที่หลบนอนก็ออกวิ่งต่อมาก็หยุดทำท่าจะแยกวงไปทางด้านตะวันออกแต่แล้วก็ชะงักเหมือนจะมีการช่างใจแล้วก็ออกเดินทางไปทางเดินทางไปตะวันออกเฉียงเหนือตามเดิมหยุดหยุดเดินเดินรีรอยอย่างไรชอบกวน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 มันไม่ชวนสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาวใจสั่นระทึกเหมือนการแกะรอยเจ้าม่หิงสาตัวนี้มันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่เป็นสัตว์ป่าประเภทที่เหมือนมีวิญญาณผีร้ายเข้าสิงและคอยบงการไม่ผิดอะไรกับไอ้กุดหรือไอ้แหวงเชิดาระ ง, งับความตื่นเต้นของเขาไว้ได้ภายใต้อากับกิริยาที่ขรึมสงบเพียรพร้อมไปด้วยสติอันมั่นคงส่วนน้องสาวคนสวยนักผจนภัยผิดหญิงของเขา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 ก็ข้ามลำธารตื้นๆและหยุดพักตั้งแคมป์ขึ้นเหนือลำธารแห่งนั้นพอกินอาหารเสร็จทุกคนก็ล้มตัวลงนอนอย่างอ่อนเพลียกลางวงร้อมของไฟรุง่งที่นี่กำลังที่คุณบอกว่าเป็นวริเวณห้วยเยญ่ทองชา ย, ยันเอ่ยถามเหมือนจะเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ขณะนั้นเขากำลังเอาปลัสเตอร์ปิดบริเวณส้นเท้าที่ถูกรองเท้ากัดจนพองและสารวจอยู่กับการเอาจริงเจอแต้มแผลลอยขีดข่วนอันเกิดจากน้า และผินยิ้มยิ้มเล็กน้อยก้มศรีรษะลงครับเราถึงห้วยยญ่ทองแล้วอดีตนายพันตีทหารปืนใหญ่ผิวปากเบาๆกวาดตามองไปยังความมืดทะมึนรอบด้านสหายของเขาผ่าซื่อก็ซักมาว่าทำไมสอสระเอือชอสระอุ่มลืมเสียแล้วหรือพานใหญ่เคยบอกเราไว้ก่อนแล้วคำพูดอันมักจะสออารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาของชายยัน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 นับแต่ใช้ชีวิตผจนภัยครุกทีอยู่ด้วยกันสุดแต่คุณชายกับชั ย, ยานจะเห็นควรถึดครับเอาละเรากำหนดหน้าที่ตายตัวกันเสียเลยต่อไปจะได้ไม่ต้องมานัดแนะอะไรกันอีกเกี่ยวกับเวยนยามนี่สำหรับผมถนัดยามตอนหัวรุ่งผมก็เหมือนกันเราสองคนรับเหมาเวลาใกล้ลุ่งติดต่อกันไปก็แล้วกันชั ย, ยานเสริมมาตกลงครับผมเกิดและแงทาย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 ส่วนแกตีสี่ถึงรุ่งเช้าเลยแกจะได้มีเวลานอนรวดเดียวตลอดชายยานหันไปบอกกับสหายของเขาเช่ถาก็พยักหน้าทันทีนั้นดาลินผู้นอนชันข่าวเอาศรีรษะพิงย่ามเครื่องหลังเงียบๆอยู่ก็ถามมาเบาๆว่าจะไม่ให้น้อยมีหน้าที่บ้างหรือคะพี่ใหญ่สามชายหันไปมองดูหญิงสาวผู้เป็นภา ร, ระหนักอยู่ในขบวนผจญภัยผู้เป็นพี่ชายสันศรีรษะ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 ขอซ้อมความเข้าใจหน่อยนะครับว่ามาทั้งคุณชายและคุณชายยันในขณะที่อยู่ยามหากเห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเองนะครับกรุณาปลุกผมด้วยอ๋อแน่นอนมีอะไรผมต้องปลุกคุณแน่กรุณาอย่าเดินออกไปนอกเขตล้อมของกองไฟทั้งสด้านของเราด้วยไม่ต้องห่วงเราจะปฏิบัติตามคาสั่งของคุณอย่างเคร่งครัด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 ถ้ามันเกิดลอยวูบๆขึ้นมาได้อีกแล้วก็สนุกกันละเสียงชายยันกระซิบเบาที่สุดเช่ถาหัวเราะหื่อหึอในรำคอถ้ามันบินได้แกก็คอยจ้องตะคุบไว้ก็แล้วกันทับทิมเม็ดนั้นยังอยู่เป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างเหมือนเช่นที่ถูกหอมัดไว้ในครั้งแรกชายยันทรองเอาไปฉายส่องดูแสงของมันก็สะท้อนวาวขึ้นอย่างมัศจรรย์ เป็นดวงแสงแดงกำเหมือนดวงไฟที่ปรากฏรัศมีในขณะที่ขโมดโด่งรอยเป่งประกายไม่มีผิดซึ่งผิดไปจากคุณลักษณะของทัพทีมทั่วๆไปนอกจากสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดอากาศสะท้อนแสงเท่านั้นลองวางมันไว้เป็นอิสระดูไหมอย่าไปห่อมัดอะไรมันแล้วคอยสังเกต ด, ดูปฏิกิริยามันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคืนนี้ชยยันพูดเปเปยขึ้น มันจะเกิดอะไรขึ้นได้ในเมื่อมันเป็นแต่เพียงวัตถุเท่านั้นแล้วถ้าจะลองอย่างนั้นก็ต้องมาคอยกังวนเฝ้ามันอยู่เสียเวลานอนเปล่าเปล่าว่าแล้วเชิถาก็จัดการห่ออารงย่ามตามเดิมเหวี่ยงย่ามไปทางด้านศรีรษะของเขาต่างสู่บุรีนอนคุยกันอีกสองสามคำก็พล่อยหลับไปด้วยความเพลียแลรพินรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเปลี่ยนยามกับแง่ทรายป่าเงียบสงัดตาดจากเสียงสัตว์ใดๆ นอกจากพวกมแมลงที่ขับกล่อมไพสรสลับไปกับเสียงกบเทียนในรำทานเบื้องร่างลืมตาขึ้นก็เห็นแงสายนั่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ริมกองไฟจึงหลับตาต่อเวลาผ่านไปเท่าใดไม่ทราบได้พรานใหญ่สะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะชายยันผู้นอนอยู่ชิดเขาป่ายแขนมากระทบหน้าอกลืมตาผงกศีษะขึ้นเล็กน้อยมองดูอดีตนายทหารปืนใหญ่ครั้งแรกนึกว่าชัยยันปลุกแต่ก็เห็นนอนหลับสนิทเป็นปกติดีอยู่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 เมื่อเขามาถึงเป็นเวลาเดียวกับที่แง่สายยันตัวขึ้นนั่งมองดูเขาด้วยสายตาเงียบๆตามเคยพลานใหญ่ซุดตัวลงและโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเอ่ยถามอะไรกันเลยจอมพรานพยายามเงีย่ยหูส่วนตาก็อ่านสายตาของแง่สายนิ่งอยู่เช่นนั้นก่อนที่เขาจะขยับปากพูดคําใดออกมานั่นเองโสดประสาทอันเฉียบไวก็สัมผัสกับเสียงของการเคลื่อนไหวเสียงกิ่งไม้ถูกระผ่าน และเสียงเหยียบลงมาบนใบไม้แห้งทว่ามันแผ่วแสนแผ่วจับทิศทางไม่ได้ถนัดนักนอกจากจะบอกได้อย่างเดียวว่ามันดังมาจากราวป่าอันมืดทึบไม่ห่างออกไปนักครั้งแรกเข้าใจว่าจะเป็นเสือแต่เมื่อฟังไปมันไม่ใช่เสียงนั้นหยุดหยุดหายหายยังมีเรสในอีกหึุดใจใหญ่ต่อมาเขาก็แน่ใจเพราะแววเสียงลมหายใจอย่างถนัดขึ้นอีกครั้ง แง่สายค่อยๆยกไปฉายขึ้นแต่ระพีนแตะข้อมือไว้กระซิบเบาที่สุดอย่าแง่สายอย่าเพิ่งฟังมันต่อไปก่อนมันย่องเข้ามาวนเวียนดูเราอยู่รอบปางพักสักสินาทีมันนี่แล้วครับก่อนหน้าผู้กองรู้สึกตัวแกแน่ใจว่ามเป็นมันหรือผมได้ยินเสียงหายใจได้ยินเสียงฝีเท้าจากพื้นดินผมรอคอยจะให้มันพุ่งเข้ามาแต่มันเดินวนเวียนรอบ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 นี่มันกำลัง ร, งรอจังหวะเข้ามาเล่นงานเราเว้นแต่มันยังไม่แน่ใจเท่านั้นจะเอาอยัางไงกันวิธีเดียวเท่านั้นครับรอคอยมันถ้ามันตัดสินใจพวดเข้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่นี่รู้สึกว่ามันจะไหวฐานถอยห่างออกไปเสียแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นักอาจย่องเข้ามาอีกเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แต่ว่าขณะนี้พวกเราตกอยู่ในสายตาอาการเฝ้าเพื่อหมายจะแก้แค้นของมันยางงั้นสิ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 เพราะมันรู้ว่าเรารู้ตัวกันแล้วทำไมไม่รองฉายไฟดาลินถามอย่างกระสับกระส่ายเรายังกะที่หมายมันไม่ได้แน่ชัดป่ารอบเรากะทึบมากถ้าฉายไฟก็ต้องให้พบตัวเลยทำไมงั้นก็ไม่มีประโยชน์สงบใจรอคอยให้แน่แ่ดีกว่ามันอาจจะร่าใจย่องเข้ามาใกล้กว่านี้และเป็นเป้าหมายที่ถนัดขึ้นแง่าสายคานเข้าไปฟังเสียงทางโคนต้นมะข่ายใหญ่อีกครั้ง ส่วนระพินแยกอ้อมไปทางด้านหลังของก้อนหินที่ใช้เป็นกำแพงสำหรับปูผ้าใบานอนเชฐถากับดาดินก็พยายามเปิดประสาทหูอย่างเต็มที่แต่ทั้งสองพี่น้องไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเลย